เรื่องสงการโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือเกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความพาสุขทุกประการขอจงบังเกิดมีแต่ เ, เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนา ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้วันนี้ก็เป็นออกวันหนึ่งที่พวกเราชาวไทยทั้งหลายไม่จ้มีใครบอกก็รู้จักกันเอาเอง รู้กันตั้งแต่เด็กๆจกกนถึงผู้ใหญ่ <c oughs> คือวันสงการวันสงการปีนี้ก็เหมือนกับทุกๆปีโดยกำหนดเอาอกลางกลางเดือนเกือบจะ ก, กลางเดือนห้าเดือนเมษาหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุลงประโคมข่าวชาวเข า, ขาลืมดอย ชาวบ้านนอกลืมทุ่งไร่ทุ่งนาชาวเมืองหลวงก็คงจะลืมนครเที่ยวกันให้สนกสนานจะหาว่าไปแล้วคนไทยแล้วนี่เป็นคนมีความสุขกว่าคนชาติอื่นถ้าจะว่าไปแต่สุขแบบแบบสนกสนานเพลิดเพลินนะสุกอไก่เขาสุกอสุก ไม่ใช่สุขขอไข่ณวันแต่จะสนุกสนานเพลิดเพลินแต่ว่าโศกรือมันก็ไม่ใช่หอเรีออยกว่าสนุกยิ่งมากกว่าถ้าสนุกอย่างนี้มันก็มีความเพลิดเพลินถ้าในทางพระพุทธศาสนานก็เรียกว่าความทุกข์นั่นเอง <c oughs> นันทโตทุกขิตโตโหมิผู้เพลิดเพลินนั่นแหละผู้มีความทุกข์ ผู้ที่มีความทุกข์นั้นแหละจึงเพิดเพลินดูสนุกสนานเพิดเพลินกันเลอะเกินอาตมากอดดูดูอยู่คิดว่าวันสงการมีแต่คนมานิมนต์ไปเทศตรงโน้นตรงนี้อย่าไปเลยดีกว่ามันเอาเปรียบกันตั้งท่าอยู่ที่วัดใครจะมาก็มาจะเทศให้ฟังก็ไม่มีใครอยากจะมาแหละเพราะว่ามันไม่สนุก ทีนี้ท่านทั้งหลายก็เลยเนี่ยมบนขึ้นมาหาเทศกันบนบ้านเอา้ายังไงยังไงก็อดก็ทนแต่ น, นี่มันสายนะพวกที่นั่งอยู่ข้างนอกมันก็ตากแดดหาร่มก็ไม่ได้ทีนี้อยู่กลางบ้านมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าลงไปวัดเลยอยู่ไปกี่แสนคนมันก็มีร่มไม้เ <c oughs> ยือกเย็นแต่ท่านทั้งหลายก็ออนวอนจะให้พระขึ้นมาบนบ้าน ขอเท้าความสักหน่อยหนึ่งว่าการที่เราได้กระทำวันนี้มันทำรวบรัดเพื่อประหยัดเวลาหรือว่าประหยัดอะไรก็ตามใจเธอแต่ดูวเวลานี่มันก็ประหยัดตีแต่ประหยัดเพื่อประโยชน์หรือว่าประหยัดเพื่อความฟุ่มเฟยเนี่ยอยากจะพูด <c oughs> ตอนนี้ตามปกติวันสงการนี้สามวันจะมีคุณค่ามีความหมายมากในสมัยโบราณ น, นะ วันแรกเอาสะสมอุิว่าวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าอย่างวันนี้สิบสองสิบสามสิบสี่เนี่ยวันที่สิบสองเรียกว่าวันสงการวันตรุษสงการวันที่สิบสามเรียกว่าวันเนาวันที่สิบสี่ก็เรียกว่าวันสุดท้ายวันทะเลิงตกเอากันให้คันๆกันๆมีกันมีสารก็ได้สามวัน ถ้าเป็นสมัยโบราณสามวันนี้ถือว่าเป็นวันที่จะต้องทำพิธีกรรมให้เกิดประโยชน์เีนนี้ต่อจากสามวันนี้ไปก็เป็นการเข้าปีใหม่กันแทะสนุกสนานทำกลางความสงบงร่มเย็นของสังคมไปจนถึงน น, น้นเดือนหกเพนเดือนหกวันวิสาขะสมัยก่อนไม่มีในภาะอีสานนี่ลืมไปเลยวันวิสาขะเยวนี้แหละมี แต่ตอนก็มีจะบุญบั้งไฟบุญวิสาขะไม่มีไปเปิดอ่านดูในหีดสิบสองจารีตสิบสองเดือนของชาวอีสานจะไม่พูดถึงวันวิสาขะแต่จะพูดถึงบุญบั้งไฟมันไปตรงนู้นมันจะนกสนานไปนู้นบั้งไฟในบุญวิบั้งไฟในเดือนวิสาขาเหินปะ่ะว่าเป็นกาบเป็นก่อนแต่วันวิสาขะกลับไม่มีไม่พูดถึงกันเลยเพราะเหตุนั้น คนภาคอีสานเมื่อสงการนั่งแต่วันที่สิบสองสิบสามสิบสี่เสร็จจากสิบสี่ไปนี่ก็ยาวยืดไปเลยที่นี่จนถึงเพนเดินหกจึงเลิกกันเพราะแต่ก่อนนั้นสังคมไม่เครียดไม่ถูกบีบคั้นด้วยภาวะการคลองชีพอย่างทุกวันนี้การดํารงอยู่ของชีวิตการดําเนินไปของสังคมโดยระบบชีวิตระเบียบสังคมถูกร้อยรัด อย่ากดเกณฑ์ทางศาสนาพุทธศาสนาศาสนาพุทธบางศาสนาพรามณ์บางเอามารอ้อยผสมกลมเกินกันไปจึงเกิดประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีสานบ้านเราก็ดีของประเทศไทยทั้งหมดนี่ก็ดีมันมาสามสายที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมสายหนึ่งเก่าแก่ก็มาจากศาสนาพรามณ์ สายที่สองก็ามาจากพระพุทธศาสนาโดยตรงสายที่สามก็ามาปนเปกันไปทั้งพุทธทั้งพราหมณ์แล้วก็ท้องถิ่นประเพณีรวมกันข้าวกลายเป็นมิกซ์คันฉลนมิกซิง <c oughs> เรียกว่าผสมภาสาทางยริยธรรมทางวัฒนธรรมมิกซ์ซีวิลไลซ์เซน คือการผรสมผสานกันทางวัฒนธรรมอย่างในวันสงการนี้คืออยากเข้าใจว่าเป็นวัฒนธรรมที่แท้จริงของพุทธศาสนาแต่มันก็เป็นวัฒนธรรมลูกผสมระหว่างฮินดูแล้วก็เอามาพุทธศาสนามาซับบิเมตลงไปก็เลยได้ประโยชน์ขึ้นมาทําให้เกิดประโยชน์นะถ้าทาให้มัน ไม่เป็นประโยชน์มันก็ได้แต่ความสิ้นเปลืองได้แต่ความสูญเสียชีวิตเลือดเนื้อเมาเหล้าเมายาหมดเงินหมดทองเล่นกันจนลืมเถิดเล่นกันจนเลยเถิดอย่างเง้เล่นไปเล่นมาจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรปูยี่ปูยำวัฒนธรรมอันดีงามของพ่อของแม่เราหมดคนโบราณเตือนจิตสกิดใจลูกหลานเอาไว้เพราะว่าเนี่ยเมื่อมด บนคุณเถาสกุลว่งอยงยานตกต่ำเดนะีน้อสมัยไม่ปั่มสมัยเข่าแตกกระเด็นหยาดแ่นนะ้อหยาดบ่ฟังความเถาโบรา่รันหอบมันลําบากก็ เ, เลยโชคหยากหายท่อนถอบบอดี <c oughs> เดี๋ยวนี้มันกําลังอยู่ในลักษณะ <c oughs> เช่นนี้กาลังอ่าลืมกําลังทิ้งแล้วสิ่งที่มันดีมันงามี่เรามักจะทอดทิ้งส่วนสิ่งที่ <c oughs> ไม่ดีไม่งามแล้วเราก็มกกักจะเชื่ชูบูชาถือกันมาอย่างทอดทิ้งไม่ได้อาลัยอาวรเลอะเกินเพราะนั้นพระพุทธศาสนานะจะซ่อนอยู่เตือนจิตสกิดใจอยู่ในเรื่องความเชื่อในเรื่องความสืบต่อเนี่ยลักษณะนในกาลามาสูตรการวางใจลงไปกับสิ่งที่ควรเชื่อถือและประพฤติปฏิบัติตามสิบประการนะ อย่าเชื่อโดยสักแต่ว่าเขาว่าอย่าเชื่อโดยเขาทําสืบสืบกันมาอย่าเชื่อโดยมันมีในตํำรับตําลาอย่าเชื่อโดยข้าทศเนย์อย่าเชื่อโดยเดาเอาไล่ไปทั้งสิบประการขออภัยไม่นํามาพูดในที่นี้มันมีข้อหนึ่งว่ามาปรำปรายะอย่าเชื่อโดยเขาทําสืบสืบกันมาอินออตไรต์บายทรัลดิชันน์แต่พมเป็นภาษาฝรั่งก็ว่าย่างนี้ อย่าวางใจว่าทําสืบเสือกันมาแล้วมันถูกต้องเพราะนั้นในจารีตประเพณีเนี่ยบางสิ่งบางอย่างควรจะทิ้งได้ตัดทิ้งได้ไม่เหมาะสมกับยุคกับสมัยบางสิ่งบางอย่างควรจะเชิดชูบูชามีคุณค่าไม่เลือกการไม่เลือกสมัยแต่พวกเรานั้นอันไหนชอบใจก็ต้องเอาอันไห น, น ไม่ชอบใจจะดีประเสริฐแค่ไหนเราก็ไม่เอาอาตมาก็เลยเป็นคนที่ถูกหากระทบกับสังคมอยู่เป็นประจําบางเรื่องก็บอว่าทิ้งไม่ได้อาจารย์สมภพมาชวนทิ้งเลิกไม่ได้เด็ดขาด้ว เ, เลิกไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันป่อยกันไปแต่ว่างั้นอาตมาก็ทําด้วยไม่ได้เพราะมองไม่เห็นประโยชน์นอกจากไม่มีประโยชน์แล้วมันก็มีแต่โทษ มันก็เลยคอนฟ lict กันอยู่อย่างปรับกันไม่ได้บางทีนะพระทรงองค์เจ้าของเราเนี่ยมันฟืดมันเครื่องในหัวใจจะเข้าไปร่วมกับโยมก็ไม่ถูกทําไม่ถูกวิ น, นัยไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์กันขั้นยังไม่ร่วมก็ไม่ถูกใจชาวบ้านยังบุญอย่างกุศลทุกวันนี้แหละก็พาให้รังเกียจกันไปทั้งทั้งที่เราไม่อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้น อ้าวพอจะอาบุญทีมีแต่คนเมาเหล้าเมา ย, ยาคนไม่เต็มบาทเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วก็เรียกว่าบุญแล้วก็มานิมนต์ฆ่างวัวฆ่าควายบูชายันกันอย่างยิ่งใหญ่มาโหลานกันไปเลยเสร็จแล้วก็มานิมนต์ไอ้ขันจะไปมันก็ขัดมันก็ฟื้นกับความถูกต้องดีงามสามัญสํานึกในทางจริยธรรมของพระพุทธศาสนา ไอ้ขั้นจะไม่ไปก็ไปฝื้นกับการอยู่ร่วมกันนี่มันก็เลยพูดยากถ้าเป็นสมัยพุทธิยาท่านก็ไม่ไปร่วมเลยพระสงฆ์องค์ใก็ไม่เข้าไปร่วมมือไม่เข้าไปสนับสนุนบุญกุศลที่ดีที่ดิ้นที่สนุกสนานเข็นข้าสัตว์ชีวิตตัวใหญ่สัตว์พวกงูควายทั้งหลายต่างๆเ่านี่ พระพุทธามข้าไปไกลสมเมทังปุริสมธทังสมมาปาสสังวาชะไปยังนิรักขรังมหายันญามหารัมภานะ ต, ตั้งโหติมหภาภร า, าเยจะอเชลากาจค า, าโบจะวิวิทาจะทหัรยเรนะตังสมขัตาญาณยังอุปยันติมหฮสิโนก็บอกชัดแปลว่ามหายันบุญอันยิ่งใหญ่ การบูชาอย่างยิ่งใจมีการฆ่าสัตภาหนะมีการฆ่าคนบุญใหญ่ๆนะมันฆ่าคนฆ่าทางกายไม่พอฆ่าทางจิตทางใจฆ่าทางกายไม่ได้ก็ฆ่าทางใจไปก่อนให้จิตใจมันตายจากความเป็นคนให้มันเมาให้มันลืมสติให้มันลาออกจากคนจะเป็นอะไรคนเมาเล่านะมันลาออกแล้วลาออกจากความเป็นมนุษย์มันจะเป็นอะไรก็ได้ เอี่นี่เลววาปุริสเมฆทางห้าคนขอพระยาจจะรุนเรงหลังยันสัมมาปาสังยันจะรอดบ่วงบ่วงอะไรอยู่ในบ่วงพอจะคว้าจะถือจะผูกจะดึงจะล่ามาฆ่าได้ก็ฆ่ากันกินทั้งนั้นหลังยันบวันนี้รักขรังบวาชะเปยยังวาชะเป ย, งเปยงเังเดิมเพื่อพลังก็คือเอาเหล้านั่นแหละมาให้กันกินบุญประเภทนี้ก็ทํามาตั้งแต่ปะพเจ้าเรายังไม่เกิด น, นะ เขาถือว่าได้ยิ่งใหญ่มากแล้วถ้าได้กินแล้วหน้าดำตาแดงแล้วก็ฟอนตากแดดได้นี่เขาว่าบุญอย่า ง, งดีที่สุดของเขาไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนมันเป็นบุญของศาสน า, าพรามอาซาบาลววาชะปัยังวาชะปัยังเดิมเพื่อพลังนี่รักขลังถอดลิ่มหัวใจไม่ให้มีลิ่มยันไม่มีลิ่มสลักอะไรคือลิ่มสลักหัวใจ ก็คือความอายนั่นแหละถ้ายังมีความอายชั่วมันทําชั่วไม่ได้ถ้ามีความกลัวบาปมันก็ทําบาปไม่ได้ความอายชั่วกลัวบาปพีลิโอตปะยันเยวะโรกังปาเลติสาทุกังความอายชั่วกลัวบาปนี้แหละรักษาคุ้มของโลกอยู่เป็นลิ่มสลักจิตใจของคนเราเมื่อคนเราทอนลิ่มความอายความกลัวออกไปแล้วลูกสีลูกห้าก็มาฟ้อนตากแดดว่าจะเด่งจักเดาว่าจะคลอนว่าจะ ตะกนย ง, งคงบงังโอ้ยศพเศร้ า, าเป่าลมเดินไปตีนตบตะกะแตนเดินขับถนนพูดคดํานใะดนึกเกี่ยวกัโพดมาจนฟังด้วยไม่ได้ผู้หญิงลูกสีลู ก, ลกหา้าลืมภาวะความเป็นแม่ลืมภาวะความเป็นเมียไม่รู้เธอเป็นอะไรเพราะว่าเธอได้ถอนลิ่มหัวใจเมื่อเธอเมาอย่างนี้แหลเลยวันนี้รักคาระไม่มีลิ่มสลักหัวใจครบ วงจรห้าประการข้าสัตราหันะเป็นทานข้าคนทั้งหลายให้ตายจากความรู้สึกสำนึกว่าตนเองเป็นคนกายเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นคนไม่ได้ลาออกหมดหลังจากนั้นก็ข้าสัตว์ทุกชนิดที่จะหามาได้มากินหลังจากนั้นก็เดิมเพื่อพลังให้มันมีกำลังจนลืมอายชั่วลืมกลัวบาปหลังจากนั้นก็ทอริ่มสลักใจ ไม่มีอะไรควบคุมอยากจะฟ้อนก็ฟ้อนอยากจะร้องก็ร้องอยา ก, ก, กจะโฮแซลยังไงก็เอาไม่รู้จักต่ําจากสูงไม่รู้ว่าผัวใครเมียใครพ่อใครแม่ใครลูกใครฟ้อนเกี่ยวกันลุมอุ่มหลุมอุ่มพอแม่กับลกอย่างนี้แหละเรียกว่านิรักขละยันชนิดเนีย น, นะตังสมมคตายันยังอุปยันติมาเฮซิโนพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาพระคุณอันประเสริฐผู้สแสวงหาคุณอันประเสริฐผู้ ดำเนินตามปฏิปทาอันประเสริญย่อมไม่เข้าไปใกล้อุปยันติมาเหสีโนไม่เข้าไปใกล้ไม่เข้าไปใกล้พระมาเหสีจ่าผู้แสวงหาคุณอันประเสริญย่อมไม่เข้าไปใกล้ยันชนิดนี้หลังจากนั้นยังบอกว่าเยจะ่ามหาญญามหารัมพาณตังโฮติมหาภลา บุญอย่างนั้นบูชาอย่างนั้นยิ่งใหญ่อย่างนั้นปารบวุ่นวายกันถึงขนาดนั้นก็ไม่มีผลอะไรเลยนะตังโหติมหาพลาไม่เป็นผลอันยิ่งใหญ่เป็นผลแต่เพียงสนุสนานอย่างนี้แหละมันก็เข้าไปไกลด้วยไม่ได้แต่ไอ้คันจะไม่เข้าไปร่วมมือไม่เข้าไปร่วมวงไพ่บวงกอบถูกด่าโว้ยคนเป็นพระอรหันมาได้ใส่นอ้๊บบาทเนี่ยวะสัน้น <laughs> ด่าก็ด่าไปไม่เป็นไรยอม คนที่ยังไม่ได่าก็มีพอจะเข้าออกเข้าใจกันอ่าแต่มาก็ยที่อยู่อย่างนี้อย่างสงการของเรานี่แหละถ้าจะเอาจริงๆเอาของเก่าจริงๆกลับทิ้งเรารักษาให้ที่เป็นเอเซนเป็นแก่นสารไว้ไม่ได้เมื่อเช้าเสียงประกาศกันเป่าเป่ า, ป า, ปาเรียกหาเสียงประกาศนั้นมันเป็นเสียงลูกหลานเรียกหาคุณตาคุณยายเรียกหาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ พ่อใหญ่นั่นยู้ใส่นอมาห า, ล, หาลูกหาหลานในเด้อบวจักคว่ำเพ็ยดเด้อนิมนต์ยังคู่กันมาแหละเสเฮ็ดแนวด้ยพ่อใหญ่ส่งนั่นยู้ใส่นอเศรษฐก้ อ, อ, สกอนสารสิงก์กระตายมาห า, ล, หาลูกหาหลานแน่เสียงลูกหลานเรียกหาพ่อหาแม่ให้มาเป็นแบบเป็นอย่างเป็นหลักเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หลักเป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณ นำลูกนำหลานให้เขาถูกช่องถูกทางแสดงว่าพ่อแม่ได้ทอดทิ้งลูกหลานไม่สนใจมีแต่จะเมาเท่าหัวงอกหน้าเมาเหล่าเล่นให้โลเล่นโบกไว้สนุกสนานไปจะเป็นแบบเป็นอย่างให้ลูกหลานไม่ได้ลูกหลานก็เลยกลายเป็นคนกัมพาเดีย๋ยนี้มันสังคมเรากําลังแตกสลายเพราะวัฒนธรรมชนิดนี้แหละครอบครัวกําลังล้มละลาย พูดกันไม่รู้เรื่องระหว่างพ่อแม่กับลูกลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่เข้ากรุงเทพไปทำงานต่างจังหวัดพ่อแม่ก็กลายเป็นกัาพาลูกกําพาหลานงกเงิงเงินอยู่ที่บ้านที่ช่องลูกหลานก็เป็นกัมพาทางจิตใจทางวัฒนธรรมเพราะว่าเกิดมาพ่อแม่ไม่ได้สั่งสอนวัฒนธรรมแบบอย่างที่ดีที่งามให้ มีแต่จิตใจยอยากจะให้ลกูกหลานเป็นคนดีแต่พ่อแม่ไม่ได้พูดให้ฟังทําให้ดูอยู่ให้เห็นมันก็เลยแตกสลายคนที่เกิดมาพ่อแม่ตายตั้งแต่นน้อยเรียกว่าเป็นลูกกัมพาแต่คนที่ไม่มีวัฒนธรรมพ่อแม่ไม่บอกไม่สอนไม่ทำเป็นตัวอย่างให้ก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกัมพาทางจิตใจเดี๋ยวนี้ลูกหลานเป็นกัมพาทางจิตใจ พ่อแม่เป็นเป็นกรรมพ้าลูกทางกายลูกหลานก็เป็นกรรมพาพ่อแม่ทางวัฒนธรรมแทนที่จะได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมจากพ่อจา ก, จากแม่การพูดการจาการการะทาการวางตนในชีวิตขรอบครัวในสังคมแต่เห็นแบบอย่างที่ดีงามจากพ่อจากแม่เขาไม่ได้เห็นเขาได้จากโทรทัศน์เขาได้จากวิทยุเขาได้จากหนัง เขาได้จากสื่อมวลชนเหล่านี้เป็นพ่อแม่ทางวัฒนธรรมเขาก็เออไปกับอันนี้แหละเพราะพ่อแม่ไม่ได้สอนเขานก็เลยกลายเป็นกรรมพลาที่น่าสงสารอีกแบบหนึ่งเนี่ยเมื่อช้าได้ยินเสียงลูกหลานเรียกหาพ่อใหญ่แม่ใหญ่เรียกหาพ่อหาแม่ให้มารวมกันที่ศาลาประชาคมให้พ่อแม่มาพาลูกหลานทําอย่างไงวันนี้เรานิมนต์พระขึ้นมานะเราจะทําอย่างไรพ่อใหญ่แม่ใหญ่อยู่ในเสียงเรียก แทนที่จะได้ยินเสียงพ่อแม่เรียกหาลูกหาหลานให้มารวมกันพ่อแม่จะพาทำบุญทำทานพ่อแม่จะได้พาฟังธรรมฟังเทศเปล่าเลยกลายเป็นลูกหลานเรียกหาพ่อหาแม่ <c oughs> น่าสงสารกาพากันเรียกว่า broken house อ, อ๋อ broken social สังคมได้แตกสลายลงไปแล้วบ้านเรือนได้พังครอบครัวได้แตกสลายลงไปแล้ว เงก็น่าสงสารเด้นี่เป็นกำพากันต่างคนต่างอยูอ่อาจมาฟังเสียงเรียกลงก้งว่าโอ้นี่เนาะคนโบราณจึงพูดว่าเบิดเมื่อบุญคุณเถ่าสกุลว่องสิต๊กตำ่ำจะไม่ไม่ปั่มจะไม่เข่าแต่กระเด็นหยากายเด้หาักว่าฟังความเถ่าโบราณเฮามันลําบากมันนักทุกข์ยากหายท่อนท้อ บ, บอดีเจ้าที่ผู้เท่าก็ไม่เป็นผู้เท่าทอดทิ้ง ล, กลูกหลาน ตนเองก็จะเป็นคนหนุ่มอยู่เรื่อยไปตามวัฒนธรรมทางโลกตะวันตกลูกหลานก็ไม่มีที่พึ่งพาอาศัยสงการเขาก็เขาก็รู้จักแต่สนุกสนานเท่านั้นเพราะนั้นวันสงการในสมัยโบราณ น, นั้นพ่อแม่เป็นผู้นำลูกนำหลานเพราะสงการถือว่าเป็นวันปีใหม่นะปีใหม่โบราณเราได้เปลี่ยนปีใหม่ กับฝรั่งมั่งค่าเป็นปีใหม่สากลวันที่หนึ่งมกราเมื่อพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่มาเนี่ยเอาตามวันเกิดของพระเยซูพระเยซูเกิดช่วงนิสาสนาคริสเลมศตรวรรษอย่างนี้วันที่ยี่สิบห้าธันวามหาวันที่หนึ่งในสี่ห้าวันเนี่ยสัปดาห์เนี่ยเป็นสัปดาห์ระหว่างเอาเป็นวันเกิดคริสต์มาส วันเกิดของพระเยซูอยู่ในช่วงนี้เขาก็เลย น, นับเป็นวันปีใหม่เป็น New Year ปี p p y New Year ของเขาพวกเรานั้นถือเป็นวันปีใหม่มาตั้งแต่โบราณตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดถือมากับศรราสนาพราหม์ศรราสนาพราหมณ์เขาถือกันวันที่สิบสองสิบสามสิบสี่ตั้งแต่โบราณ น, นะวันที่สิบสองนั้นถือว่าเป็นวันตรุษ ตุนไปว่าแปล ว, ว่าสิ้นแปลว่าสิ้นพระจันเสกเตสังสกาล ส, ส, ส, สังการสังการก็แปลว่าเคลื่อนสิ้นปีเก่าเคลื่อนเข้าปีใหม่พูง่ายๆว่าวันสงการก็คือวันส่งท้ายปีเก่าวันเนาก็คือวันต้อนรับปีใหม่วันที่สิบสองเป็นวันสิ้นปีเป็นวันตรุษ สงการโจท์นั้นไปบอกสิ้นสงการสังการละสงการละนัะก็แปลว่าเคลื่อนย้ายสิ้นฤดูสิ้นฤดูหนาวเคลื่อนเข้าสู่ฤดูร้อนและเป็นเวลาที่อากาศอบอ้าวมากจะเป็นโอกาสที่จะเป็นไข้เป็นหนาวปวดหัวปวดท้องเป็นวัดเป็นไอท้องร่วงท้องเสียเพราะอากาศมันร้อนอบอ้าวต้องเอาน้ําเย็นๆมารด พราสาสัตย์เทให้แก่กันและกันด้วยความปรารถนาดีที่มีต่อกันในสังคมเพราะฉนั้นประเพณีนี้จึงมีการเข้าปเกี่ยวข้องกับการรดน้ําอีกด้วยเป็นอนวราชสิ้นฤดูหนาวก้าวเข้าสู่ฤดูร้อนพ่อเมื่อดิธีตัง้งเติมฤดูเดือนใหม่ดอกเกศบ้านสะพังพรอ้อมน้ําหลอมแกล้มสะพังผัวพ่วงพีสลพีกณิกากายเหือไพ่พ่วงดาวลําตัวดัวหอมเย็นดอกสามังดอ ก, ดอก กาละเวกเกี่ยวหอมกลุ่มบาทคำเร่งคนโบราณก็พูดถึงดิถีเติมฤดูเดินใหม่เข้ามาเดินใหม่วันใหม่ปีใหม่วันแรกวันแรกเรียกว่าวันตรุษสงการวันสิ้นปีเก่าเขื่อนเข้าปีใหม่วันสิ้นฤดูหนาวเก่าเข้าฤดูร้อนวันที่สองเรียกว่าวันเนาวันเน้านั้นมาจากภาษาบาลีวันนวะนวะแปลว่าใหม่ สิ้นเก่าเข้าสู่ใหม่เป็นวันเก้าสุวันปีใหม่เดือนใหม่ส่วนวันที่สามเรียกว่าวันทะเลิงศกวันเก้าเข้าสู่ปีใหม่อย่างเต็มตัวแล้วแต่ก่อนนะั้นเพียงจะเริ่มบัด น, นี้กับเก้าเขาเต็มตัวเข้าสู่ปีใหม่เพราะฉะนั้นประเพณีนี้สามวันนี้จึงเป็นวันที่สําคัญมากใ น, นสมัยโบราณ น, นะพอถึงวันสิ้น คือวันตรุษสงการบ้านช่องห้องหอจะถูกทาสะอาดให้เกลี้ยงเลยพระทรงองค์เจ้า ก, ก็ทำสะอาดวัดวาอารามนอกจากนั้นก็กวาดกวาดอารามให้งามสะอาดสะอ้านทำสะอาดกุฏิวิหารเอาพระพุทธรูปลงมาขัดสีสวีวันให้งดงามองเ์็เล็กองค์รามองค์ใหญ่องค์น้อยองค์กลางองคใหญ่เอามารวมกัน ที่นี่ก็ตั้งร้านแล้วพระพุทธรูปลงมาพอาถึงตอนบ่ายๆก็ตีกองรวมผาซ่าผาอีสานปรตีกองหอมยาโยมก็พากันลงมาวันนั้นลงมาเอาน้ําอบน้ําหอมลงมามาถึงก็มาไหว้พระสมมาทานศิลนานพุทธศาสนาเข้ามามีบทบาทไปแล้วแต่ในนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะเราให้ฟัง <c oughs> ก็เหมือนความฝันกําลังเล่าความฝันให้ฟัง ไม่ลงมาแล้ววัดมันไม่สนุกสนานพอสงการทีก็ เ, เอาแต่น้ําไปรดกันเอาแป้งไปปรพรมให้แก่กันเอาแป้งไปทาตามถนนเดินไปบินทบาทในถนนมีแต่แป้งแม้รวยกันเลิเกินไปซื้อแป้งฝุ่นมาทาถนนหลังจากนั้นก็มีแต่ขวดเอามาทับกันตามถนนบินทบาทระวังดีๆมีแต่เนินเดินเหยียบเศษขวดเศษแก้วก็ เ, เอาน้ําหอมบางยี่หันมารดให้แก่กัน กินเข้าไปแล้วเดินขับถนนเลยตีนตกตะกะแตนไปเลยที่นี่เมื่อมาถึงวัดแล้วก็ไหวพระสมท า, านศีลเรียบเลยพระทรงองค์เจ้าก็จะพาชาวบ้านสัมมาคาราวะพระแกวเจาว้าพระรัตนไตรคือพระพุทธลูกนั่นแหละแล้วก็พากันสงเอาน้ำหอมที่สะอาด น้ำหมายถึงน้ำใจความหอมตลบอบอวนหมายถึงความเคารพ บ, บูชาสูงสุดลดราดลงไปในองค์พระประธานในองค์พระพุทธรูปนี่พระอิศานเป็นอย่างนี้ในวันนี้ส่งพระพุทธรูปแล้วแล้วก็มาฝังเทศหลังจากนั้นพระท่างก็เจริญพุทธมนต์ในวันนั้นเจริญพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยในคืนนั้น ก็กลับไปที่บ้านพรุ่งนี้เช้าเป็นวันนาวัวนปีใหม่ตอนนี้ก็รดน้ำดาหัวผู้หลักผู้ใหญ่บิดามารดาครูบาอาจารย์คนเคารพนับถือแล้วก็รดน้ำให้แก่กันอลไรกันเล่นกันอย่างสนุกสนานเอาน้ำสอาสะอาดไม่ใช่เอาน้ำที่ควายน้าที่โครนรดให้แก่กันในวันนี้ก็ยังมีการกลางคืน พระทังกะตีกองร่วมแล้วก็ลงมาไหว้พระรับสินหลังจากนั้นก่ออาเมื่อไหว้พระรับสินเสร็จเรียบร้อยพระทางกะเจริญปริตมองคลคืนที่สองต่อมาคืนที่สามนี่เป็นวันสุดท้ายเรียกว่าวันทะเลิงศกวันขึ้นปีใหม่ในวันนี้ตอนเช้าก็ลงมาวัดกันเต็มม า, าทำบุญตกบาดไหว้พระรับสินฟังเทศฟังธรรม จบแล้วคนหนมคนสาวคนเฒ่าคนแก่ก็จะพาลูกพาล้านไปหาบสายเข้ามาในวัดแล้วก็จะมาทําวรุกเจดีเรียกว่าทําเจดีสายผ่าผภาส า, าอีสานว่ามาตบผ่าไทยเอาธรณีคือแผ่นดินมาเพิ่มในวัดเรียกว่าธรณีสงการทําบุญด้วยแผ่นดินคนโบราณเรียกว่าปุญญสโมโอธานังประชุมลงแห่งบุญ บุญอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าการให้แผ่นดินเป็นทานแผ่นดินเราไม่มีเราไม่มีเงินจะไปซื้อที่ดินเป็นตารางวาตารางเม็ดกาไปซื้อดินที่เขาขายแต่ก่อนเขาไม่ต้องไปซื้อทรายไปซื้อกดเขาก็ไปหาบมาเองหาบมาใส่วัดมาทมตรงไหนมันตำ่ำเอามาให้มันสูงตรงไหนมันสูงทาให้มันราบเอาทรายมาใส่ที่ที่มันมีมากก็เอามากองกองไว้เป็นเจดี สำหรับวันต่อไปข้างหน้าอาจจะใช่ประโยชน์ยังนี้เขาเรียกว่าธรณีสงแผ่นดินสงแผ่นดินสงเอามาถวายให้เกิดประโยชน์พระอรหันต์ทั้งหลายส่วนมากเมื่อตัดสู้เป็นพระอรหันต์แล้วมักจะระลึกนึกถึงระลึกย้อนหลังบทเพนิวาสานสติญานย้อนกนไปว่าก่อนที่เราจกมาถึงวันนี้ ชีวิตของเราในวัฏฏะสงสารที่เวียนว่ายตายเกิดไม่มีเบื้องตนไม่มีทรามกลางไม่มีที่สุดเกิดมาเป็นอันเนกชาติเป็นกดโ ก, กดกับนับไม่ได้นี้เราได้ฝังความแน่นอนโ่พระสธรรมที่ว่าสัตธรรมัสนิยมกังเราได้ฝังบารมีอินทรีแก่กล้าให้แน่นอนลงไปในพระสธรรมนี้เมื่อไรหนอ จึงทําให้เราไม่ต้องตกนรกอีกแล้ววนเวียนวนเวียนมนุษย์สวรรค์มนุษย์สวรรค์จนมาถึงวนันตรัสรู้เป็นพออระอรหันต์ท่านก็จะย้อนนึกไปส่วนมากก็จะไปถึงวันแรกที่ตั้งมั่นประชุมลงแห่งบุญเรียกว่าปฐมสมทานบุญอย่างเป็นการประชุมลงแห่งบุญครั้งแรกยิ่งใหญ่แล้วไม่เปลี่ยนแปลงอีกเลยไม่มีโอกาสที่จะตกนรกอีกเลย จากมนุษย์สู่สวรรค์จากสวรรค์สู่มนุษย์ส่วนเ ม, มื่อเมื่อแกไปถึงจดุดจุดหนึ่งชื่อเรียกว่าปุญญสโมโอทา น, นังปฐมังการประชุมลงแห่งบนครัง้งแรกก็คือการได้เอาเอาเอ า, เอาดินนี่แหละซื้อที่ดินสร้างวัดหรือมิฉะนั้นก็ซื้อเอาดินเอาทราย อ, าอะไรมาถมเนี่อย่างพระพุทธเจ้าของเราเมื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าอธิษฐานจิต เพื่อจะตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกเมื่อตอนที่เป็นสุมเมตดดาบทได้เห็นพระพุทธเจ้าทีพังกรพร้อมด้วยบริวารเป็นซื้อแสนจะเข้าไปสวดในกรุงธมวดีเห็นประชาชนชาวบ้านกำลังทำทางอยู่ตนเองเหาะมาในอากาศก็สงสยัยก็เลยลงไปถามว่าทำอะไรกันชาวบ้านก็บอกว่ากำลังทำทางต้อนรับพระพุทธเจ้าตนเองก็อยากได้บุญก็เลยขอส่วนแบ่ง ชาวบ้านก็เลยมอบให้ไปเอ๊ดาบท น, นมคนนี้มีฤทธิ์มีเดชหฮอเฮินเดินอากาศได้ก็เลยให้ที่ที่ทําทางที่มันลําบากที่สุดที่เป็นหล่มเป็นเลนท่านก็อธิษฐานใจว่าไม่มีอะไรจะทานก็ขอทานเรี่ยวแรงเนี่ยแล้วก็ขอทานพวกดินนี้แหละเอามาทมที่มันเป็นหล่มเป็นเลนเอาหาารนิสียนะที่ตนเองปูนั่งนะ ขุดดินใส่แล้วก็เอาผ้านั่นแหละห่อมาเทห่อมาเทเหมือนพวกเราไอ้ภาภาษาอีสานวบบตบพทายเนี่ยเอาทรายเข้าวัดทำบารุกก่งกะเจดีเนี่ยเทบ้าเทไปมันก็ไม่เสร็จเหลืออยู่ประมาณสักเม็ดนึงเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จมาพอดีตนเองก็เห็นว่าไม่ทันเนี่ยก็เลยนอนลงเอาตอนเองเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าไต่ไม่ให้ถูกลมจมเลยพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็ไต่หลังไปแล้วก็อธิษฐานแจว่า ด้วยเดชแห่งการให้ฐานมาพีให้ทรณีเป็นฐานอันเนีย้ยขอให้กัาพเจ้าได้ตัสรู้นุตรสมมาสัมปธิญาณเหมือ น, ร พ, อนอพระพุทธเจ้าองค์นี้เถิดพระพุทธเจ้าทีปังกองก็บอกว่าพิสุทังหลายโมหลุดนมที่นอนให้พวกเราไต่เนี่ยนี่แหละคือหนอพุทธทางกูลผู้ที่กําลังอธิษฐานตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้าในวันหน้าหลังจากนั้นท่านก็ยกมือสาธุ ก, การพิสุทั้งหลายก็สาธุ ก, การด้วย บอกว่าบุรลษนี้ต่อไปจะได้ตัสรุนุตราสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อว่าสมณะโคโดมนั่นก็คือให้ให้ให้ดินนี่แหละเอามาเป็นฐานเอามาทมถังเนี่ยกับพระโยแรงส่วนพุทธศาวกก็มีห ล, ยลายองค์นะอย่างนางสุเมธาเทลียอย่างพระอุบาลีล้วนแต่พวกที่ได้สร้างซื้อที่ดินสร้างวัดเป็นฐานบางคนมีเงินนะแต่คนไม่มีเงินก็ไปเอาดินมาพวกเอาทรายมานี่แหละ อย่างพระอุบาลีเมื่อตัดสู่แล้วท่านก็พูดอยู่คำเดียวนั่งอยู่ในกระพุ่งยะทะพลากรโยนหินนวิสติปุมาสธามเมฆเตจุคิสมาเนสุขพังกันหันติตาสธาท่านบอกว่าเปลยเหมือนนางนกกระยางยอมนกกระยางตัวผู้ย่อมไม่มีในกำเนิดนางนกยางทุกเมื่อเมื่อใดเมฆร้องกระหึมนกยางก็ยอมตั้งันทุกเมื่อฮัลวาอย่างนี้ จิลังปิคับพังทาเลนติยาวะเมโคณพัจนะค ช, ชติคาละโตบริมุตจันติยะาเมโคปวัสติเมือ่อใดเวลาตลอดเวลาอันยาวนานที่สายฝนยังไม่หลังลงมาพวกมันก็ย่อมตั้งคันอยู่แม้ตลอดการนานเมื่อเวลาใดฝนหลังลงมาพวกมันก็พ้นจากคันเมื่อสายฝนกระหน่ำลงมา ท่านเปรียบตัวท่านเองเหมือนนกกระยางเมื่อได้ยินเสียงฟาร้องครั้งแรกก็ตั้งท้องเหมือนท่านได้ซื้อที่ดินสร้างสังขารามสมัยพุทธเจ้าปฐมมุตระ น, น, นู่นนั้นและท่านบอกว่าท่านตั้งท้องแห่งบุญแล้วพอมาถึงสมัยพุทธเจ้าได้ฟังเทศที่ทิโคทารามก็ได้บวชตัดสั้เป็นพระ อ, อรหันต์อย่างชัพัน ท่านบวันนี้เหมือนนกกระยางที่ครั้งแรกก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องก็ตั้งท้องตลอดการอันยาวนานยิ่งรังปิคับพังทาริตติตั้งคันไว้ตลอดการอันยาวนานจนมาได้ยินฟ้าร้องฝนตกอีกครั้งสุดท้ายจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนู้นจนมาถึงองค์นี้ได้ฟังเทศแล้วตนเองก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระ อ, อรหันต์เหมือนนกกระยางได้ยินเสียงฟ้าร้องสายฝนหลังอีกครั้งสุดท้ายนกกระยางไม่มีตัวผู้ แต่มันไข่มันตั้งท้องตั้งคันเพราะเสียงฝารองและมันออกไข่เมื่อสายฝนหลังท่านก็บียวของท่านอย่างนี้ท่านบาวชครั้งแรกเราได้ฟังธรรมเราได้ประชุมลงแห่งบุญโดยการซื้อที่ดินสร้างสังคารามถวายพระพุทธเจ้าประทุมุทระสมัยเมื่อเรายัางเป็นสดนันทดาบดนุ่นันก็เลยตั้งท้องประชุมลงแห่งบุญ เหมือนเหมือนเหมือนนกต่างทองพอมาถึงสมัยพุทธเจ้าของเราตั้งแต่มันโน้นมาไม่เคยตนนกนรกบนเวียนอยู่ในสวรรค์มนุษย์สวรรค์มนุษย์สวรรค์เป็นเศรษฐีบ้างเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพระเจาาแผ่นดินบ้างสุดท้ายก็ถึงที่สุดแห่งพบแห่งชาตินั่นแหละเป็นการประชุมลงแห่งบุญคนโบราณบ้านเราสมัยก่อนท่านฉลาด ต้องการจะพาลูกพาหลานให้รู้จักประชุมบุญให้รู้จักสมโมทานะปุญยังปัทมังประชุมลงอย่างแน่นอนไม่หวั่นไหวไม่ต้องไปตกนรกโดยรู้จักหาวิธีให้ลูกหลานได้ทำบุญด้วยสิ่งที่มีคุณค่าเรียกว่าธรณีทลละแปลว่าทรงไวอีอย่าู้ทรงไวธรณีแปลว่าผู้ทรงไ ว, ไ ว, ว, ไวซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างอะไรทุกอย่างในโลกนี้มันตั้งอยู่บนแผ่นดินคือตั้งอยู่ในธรณีนี้ ท่านจึงให้รู้จักเอาแผ่นดินเอาทรณีนี่มาทําบุญถ้ามีเงินมีทองจะซื้อที่ดินถาวายสร้างวัดสร้างวาเนเม็ดหนึ่งตารางวาหนึ่งมันก็เป็นการดีแต่ถ้ามันไม่มีอย่างนั้นก็ไปซื้อทรายซื้อหินนี่แหละมาทําถ้ามีที่ไหนไม่ให้ซื้อพอจะไปหาไปหามบ้ไ า, บไ า, บมาได้ก็ไปหาบมาซะสักหาลองหาคนโบราณจนถึงวันสุดท้ายแห่งแห่งวันสงการคือวันทะเลิง้งศกวันที่สิบสี่ หาสิบสองนั้นเป็นวันตรุษสงการเรียกว่าเป็นวันสิ้นปีวันที่สิบสามเป็นวันเนา u ไปว่าเข้าวันใหม่พอถึงวันที่ยีสิบสี่ก็เป็นวันทะเลิ้งศกวันแรกก็พากันไปลถไปสงน้ําพระพุทธรูปไปสมาทานสิ้นฟังธรรมวันที่สองลดน้ําพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนเคารพนับถือเพื่อนฟุ้งแล้วก็กลางคืนก็ลงวัดฟังปริตตมงคลฟังเทศ วันที่สามก็พากันไปทำบุญสังฆทานถวายพระทรงองค์เจ้าเสร็จแล้วกลับมาบ้านก็แม่พาลูกพาล้านหาบหินหาบตายลงวัดสร้างวัลลุคาเจดีเป็นการให้ธรณีนี้เป็นทานแก่รงเป็นธรณีรงหลังจากสร้างวลุขาเจดีแล้วในวันนั้นก็ขอลดขอสงพระทรงองค์เจ้าเป็นอันว่าวันที่สามนี้เป็นวันจบ จบแล้วจากวันที่สามนี่ไปจนถึงนูน่นวันเพ็ญเดือนหกในสมัยโบราณนะไม่มีบุญวิสาขาหลงทางไปชั่วระยะหนึ่งมีจะบุญบังไฟถือว่าบนฟ้าบนสวรรค์ น, นั้นมีเทวดาชื่อว่าวัสกาละเทโววลาหะเทโวเทวดาผู้รักษาเมฆเทวดาผู้รักษาน้ำฝนก็ทำบังไฟไปจูดบูชาเทวดาให้ถูก อ, อกถูกใจฝนจะได้ตกลงมา ความจริงบ้างไฟมันไปสั่นสะเทือนมันไปคลายความร้อนบนอากาศทำให้เมฆน่ะจับตัวละลายลงมาเป็นฝนเหมือนจรวดที่เขากำลังสร้างมายิงฝนนั่นแหละก็นับว่าเป็นความฉลาดแต่กลืมในเรื่องวิสาข์ตั้งแต่วันที่สิบสามไปเนี่ยสิบสี่ไปเนี่ยถึงวันถลิงศกและจากนั้นทุกทุกวันตอนเย็นตีกองลงวัดสามมณีเน่ยเก็จะพาญาติโยมผู้หญงผู้ชาย ไปเที่ยวหาเก็บดอกไม้ป่าเรียกว่าแหดอกไม่เก็บดอกไม้ป่าอันเกิดเองตามธรรมชาติดอกคูนเหลืองๆดอกโมกอยู่ในป่าในภาคอีสานนะดอกโมกดอกคูนดอกเมื่ดไปหาเก็บดอกกาเหลืองเงามๆแล้วก็ดอกตาแบกน้าในหน้านี้มันบานบานในหน้าสงการก็พากันไปเก็บ สามมณีนพาคนหนุ่มคนสาวไปเก็บไม่เกี่ยวกับพระนะแต่พระก็เอาด้วยสะนุกสน า, านอาตอนนี้ยน่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆไหลหดไหลสงับมือถือแขนถือโอกาสเอากําไรสำหรับพระสงฆ์องค์เจ้าเอากําไรกําไรนรกตกนรกนง่ายๆมันกลายอบัตสังขารดิเซจับตองันไม่ถือสมัยก่อนโอ้เห็นแล้วกันนะ่ะสมเพชเวทนาแต่ความจริงในเนี่ยตามฮีตามคองก็มีแต่สามมณีนไม่เกี่ยวกับพระ พาญาติโยมคนหนุ่มคนสาวไปหาเก็บดอกไม้ป่าดอกคูนดอกกากะเลาดอกตาแบกดอกเปื่อยฮล้งกันนั้นกับดอกโมกมันเกิดหน้านี้ก็เอาเข้ามาเพื่อจะมาบูชาพระชาาบ้านในหมู่บ้านก็เอาน้ำตั้งไว้เป็นใส่น้ำหอมตั้งไว้รอคอยท่านล้างดอกไม้ดอกไม้มาก็ส้มนันเนรและพวกชาวบ้านหนุ่มสาวไปเก็บมาก็เอามาล้าง ตามผ่านหน้าบ้านผู้ใดก็เอาถังน้ําเอาขู่ถังใส่น้ําอบน้ํำหอมรอไว้ล้างดอกไม้ก็ไปล้างตอนนั้นแต่บุญด้วยกันทํากันอยู่อย่างนี้นู่นจนถึงวันสงการไอ้จนถึงวันวิสาขะพอถึงวันนั้นหยุดกันก่อนที่จะหยุดก็ตี ก, กองลงวัดที่เนี่ยไปมดูดลูกเด็กเล็กแดงคนหนุ่มคนสาวผู้เฒ่าผู้แก่ไปไหน ไปสัมมาคารวะพระเจ้าพระสงไปสงน้ำครั้งสุดท้ายให้พรสีโกทกัดปฐมโกฏทาดัวนหนึ่งนั้นขอสมมาบูชาเจ้ากูตนทะลงเทลาสิคุณอันวิเศษในควาเขตอารามแถมสมผ่านทุกสิ่งได้เป็นมิงมงคลให้มีบุญและโวดกวงางโย่สืบสางสมนารมเจ้าตาพระเถาหอยสาวประวัติกว่าขาเธอ ตอวในญาป่พาพรอนอันตวนสองส้มพนองเนืองมากบุญลนหลากละลายพันทายไปแพ้ก่วงเป็นที่อ่างแกโลกโลกาให้หรือขาไปตกแห้งตกแต่งผอมธนานมีตาศาต่างเมืองมาไว้ดอกไม้แกวแรเงินคำขอพะ ย, ย่าพูดเลยน่ามันมาก <c oughs> <c oughs> เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังจนจบสีกดถาดขอสมมาสมมาคารวะได้ผิดต่อเจ้ากูทะลงทิลาส เวลาที่คนอันวิเศษไอ้เจ้ากู้เจ้าโกเนี่ยเป็นคําเรียกสรรพนามแทนตัวพระสงฆ์ผักอีสานผากตั้งผักตายผักเนื้อผูนเหมือนกันเจ้ากู้ไอ้เจ้าอยู่หัวกู้ถูกผลเร็วๆก็เลยเรือแต่เจ้ากับกู้อย่างนี้เรียกว่าสงการแบบโบราณคนโบราณไม่เป็นหนี้เกษตรไม่เป็นหนี้สหกรณ์ชีวิตไม่ถูกบีบคั้นไม่ขมึงเกียวอย่างทุกวันนี้มันกันเลย อยู่ภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งสิ้นแห่งคําแต่เดี๋ยวนี้ฮะเป็นเช่นนั้นไหมเดี๋ยวนี้สังคมแตกสลายครอบครัวล้มละลายลูกไปทางพ่อแม่ไปทางพ่อแม่เป็นกำพร้าลูกอยู่ที่บ้านลูกนี้จางงดลูกเป็นกำพ้าพ่อแม่ทางจิตใจวัฒนธรรมอันดีอันงามพ่อแม่ไม่รู้จะสอนลูกปล่อยให้โทรทัศน์มันสอนให้นังมันสอนเวลาสงการทีอย่างวันนี้แหละ เช้าเมื่อได้ยินเสียงลูกหลานเรียกหาพ่อใหญ่หาคุณตาคุณยายให้มาเป็นหลักเป็นฐานเป็นผู้ น, นําทางจิตใจทางวิญญาณไม่รู้ทันเป็นไหนหมดแต่สารสิงกะตายพ่อใหญ่เศร้าสะกอนว่าอย่างนี้ไปใหญ่เลยเคอเฮ้ไม่รู้จะเอาอย่างไรเดนี้พ่อแม่เป็นกําพาลูกลูกถอดทิ้งถูกดูดก็จะลงงานอุตสาหกรรมทําไรทํานาเสร็จก็เดินทางเข้ากรุงเทพ เดี๋วนี้ไม่อยากทําไรทํานานแล้วพอใจที่จะไปหาเงินกรุงเทพมาจ้างพ่อแม่แก่ๆเท่าๆง้อเงินอยู่ทีบ้านนอกกําลังแกพูดกันไม่รู้เรื่องลูกเต่าพาาูภาษาสังคมอุตสาหกรรมสังคมในเมืองแต่พ่อแม่พูดสังคมชนบทงสังคมบ้านนอกไปคนละทิศละทางในขณะเดียวกันลูกเต่าก่อ อ่าวางวาเวเป็นกัม้าอีกแก่ว่าเป็นกัม้าทางจิตใจเป็นกัม้าทางวัฒนธรรมคนในเมืองเรนนี้ก็เหมือนกันพอแม่เป็นเจ้าเป็นนายเป็นปู่จัดการเป็นพ่อมีงานมีการตื่นเช้าขึ้นมาก็รีบก็รีกูกจอไปทํางานทิ้งลูกทิ้งเต้าไว้กับคนใช้มันเลี้ยงมันกลายเป็นคนกัมพาทาง วัฒนธรรมการที่จะสืบทอดทางจิตทางใจการกระทําการพูดการคิดที่ให้มันเป็นเฮเลสติตี้เป็นสายเลือดจริงๆจริงจังมันก็จะเป็นไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านแยกนะในทางพุทธศาสนาเนี่ยญาติก็เป็นอย่างหนึ่งพี่น้องก็เป็นอย่างหนึ่งสายเลือดเป็นอย่างหนึ่งญาติญาติงวาสาโลหิตาว่าอะไรญาติก็ดีสายโลหิตก็ดีญาติอาจจะไม่ใช่สายโลหิตก็ได้สายโลหิตอาจจะไม่ใช่ญาติก็ได้ ลูกอาจจะไม่ใช่ญาติก็ได้เพียนเพียงสายโลหิตก็ได้หมาก็ว่าสายโลหิตนั้นสืบกันมาโดยสายเลือดโดยเผ่าพันธุ์โดยฮทธิ์ติ๊ดติอย่างว่าเนี่ยแต่ญาตินั้นสืบมาทางจิตใจพูดกันรู้เรื่องวัฒนธรรมอะไรต่ออะไรเนี่ยมันพูดกันรูเรื่องเดนี้ลูกเต่าก็เป็นกรรมพาทําทำอะไรตามจารีที่คลองประเพณีไม่ถูก เพราะว่าพ่อแม่ไม่พาทำไม่พาบอกไม่พอาสอนเขาก็รู้จักแต่สงการทางโทรทัศน์เขารู้จักแต่วันปีใหม่แฮปปี้นิวเยียทางโทรทัศน์เขารู้จักแต่วันตรุษ จ, จีนเขารู้จักแต่คริสต์มาเขารู้จักแต่วาเลนไทยโทรทัศน์วิทยุสื่อมวลชนเมสเซเดียมต่างๆเหล่านี้กลายเป็นพ่อเป็นแม่เขาทางจิตใจทางวัฒนธรรมท้าวันนี้ พ่อแม่เป็นกำพ้าลูกทางร่างกายอ้างว้างว้าเวลูกทอดทิ้งไว้เดียวดายลูกก็เป็นกำพ้าพ่อกำพ้าแม่ทางจิตใจทางวัฒนธรรมก็เลยซื้อ้อยตาวาหอยปูแบบโบราณกันไม่ติดมันก็เลยมีเก่ามีใหม่มีในมีนอกมีรุ่นเก่ามีรุ่นใหม่เชื่อมโยงกันไม่ติดก็เรียกว่าเป็นกำพากันทางจิตใจ นางน่าเข้าแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าเองก็เป็นกำพาทุกวันเนี่ยกำพามีแต่ล่วงพอ่อล่วงตามีแต่พระใหม่ใงม่งอกเ ง, งื่อนอยู่ตามวัดวาอารามตามชนนบทบวชวันนี้เป็นจาอาวาตวันนี้บวชไม่ถึงปีเป็นจาอาวาัตแล้วเพราะว่าไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เกา่าผู้แก่ที่จะซื้อทอดพระธทับวินัยอันถูกต้องดีงามก็เห็นว่าได้ใส่ผ้าเหลืองสล้ว โฮมจีวอ น, นอนในวัดก่อนหลงลืมตัวว่าเป็นเทวดาชาวบ้านพูดจะอะไรก็ไม่ได้อะไรที่นี้่เกิดทะเลาะเบาะแวงกันขึ้นเอาไปเอามาก็เลยเกิดระบบจะเอาวาดอยู่บ้านสมพานอยู่วัดจะเอาวาดอยู่บ้านก็ไม่คุ้มว่าตาทิ ต, ตาจารคนที่เคยบวชนั่นแหละต้องมาแนะนำํำพระสอนพระในวัดว่าต้องทาอย่างนั้นอย่างนั้นนะที่นี่จะอาวัดก็เลยอยู่บ้านส้มพานก็อยู่ในวัดเกิดอาการคอนฟ lict ขัดแย้งกัน เจ้าอวดดีจะไปยั่งจังบรมมาบวชมาบอกพระบอกเจ้าไปเอามาวัดร้างแล้วล้างอีกมังก็เลยอ่งางว่างพระนุมเน้นน้อยบวชมาใหม่ๆลุงพ่อลวงตาก็เป็นกรรมภาอุปชาอุปชาก็เป็นเพียงผู้ให้บวชเท่านั้นแหละใครจะบวชก็มาเถอะจะให้บวดตาบอดหูหนวกอะไรก็ตามเมียไหลนี่ก็ตามหรือว่าคนล้มละลายในสังคมพ่ายแพ้ในสังคมมาเถอะช่นจะบวชให้ขอให้มีเจ้าภาพเอาเงินใส่สองมา บวชทิ้งบวชคว้างก็เลยกลายเป็นกรรมภาพระสองฆ์เจ้า ก, ก็กลายเป็นกรรมภาในวัดในวาก็เลยไม่รู้จักจะเสบต่อประเพณีวัฒนธรรมในทางพุทธศาสนาอย่างถูกต้องดีงามนี่แหละมันเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงสังคมเราเกับจะแตกสลายลมละลายลงไปแล้วบวมมาวันสองวันเดือนสองเดือนกลายเป็นเจ้าอาวาสยังไม่รู้จกักณะยังไม่รู้จักโมยังไม่รู้จักอะไรเลย เพราะนั้นในสมัยพุทธกาลนู้นก็อบอุ่นพ่อแม่ก็มีลูกล้อมหน้าล้านล้อมหลังลูกเต่าก็มีพ่อแม่เป็นเบ้าหล่อล้อมทางจิตใจเป็นแบบพิมพ์ทางร่างกายย่าเป็นเบ้าหล่อล้อมทางจิตใจทางวัฒนธรรมห้าทรงองค์เจ้าบวชมาก็ไม่อ่างหวางว้าเวอบอุ่นด้วยบุญคุณครูบาอาจารย์นู้นบวชมาสองปีสามปีสวดมนต์น้อยมนต์กลาง ได้เรียบร้อยเขาก่อฮดส่งให้เขาเรียกว่าเป็นสําเร็จไม่ใช่สมเด็จนะเป็นสําเร็จเป็นเจ้าหัวสมเด็จเป็นเน้นสําเร็จเจ้าหัวสําเร็จไม้เขาว่าเป็นผู้ได้มนน้อยมนกลางมนน้อยห ม, กหมนกลางก็คือพวกเจ็ดตำนามนมนกลางก็สิบสองตำนานมนหลวงได้จบต่อมาก่อสูงขึ้นมาห้าพันสาขึ้นไปก่อถึงสิบพันสารู้จักระบบระเบียบพระธรรมวิ น, นัย สัธาปติโมกรถอีกทีก็เป็นเจ้าหัวชาหมายว่าเจ้าหัวปีชาสามารถรู้จักต่อมาก็มีเจ้าหัวครูเป็นครูบาอาจารย์แนะนําพัมสอนท่านต่อมารถเหล่าอีกก็เป็นเจ้าหัวราชาคู่มีความรู้สามารถแม้แต่สั่งสอนหลูกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์อย่างนี้ก็ยังมีเจ้าหัวครูฝ่ายเจ้าหัวครูด่านเจ้าหัวลัก คำเจ้าหัวลูกแก้วเจ้าหัวยอดแก้วถึงสังฆาตแต่ไก็ก็อบอุ่นกันอย่างนี้บวชมาก็ไม่ไปกระพาคนไหนบวชมายังไม่ถึงห้าพรรษาก็ไม่ปล่อยให้ไปคนเดียวเรียกว่ายังไม่เป็นนิสัยมุตตะ เดีนี้มีแต่ลูกกัพากะเลกัลลาดพระสองฆ์อกชาบัวได้พันศาขึงพันศาออกเดินธุ ด, ดงแล้วสายลูกประคำเต็มคอทำแข็งแข็งคืมคืมสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่สอนก็อุ ต, ตริทำไปชาวบ้านก็หลงไหลหลังไหลเขารบกาบไหวบูชายน ก, ก็บอกเลกบอกไว้กันไปให้เรืองลางก้องขังหนังทั้งในใจยาศาสเสกเสกเป่า รถน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักอมอมแสกะบางกวางกันไปแทนที่จะสอศาสนาพูดกลายเป็นาศาสนาพามาศาสนาผีออกนอกบูนออกทางอย่างนี้เรียกว่าลูกกำพร้าเนี่ยมันลําบากใหญ่พระพุทธเจ้าเรียกว่าลูกนอกคอกพูดถึงเรื่องนี้จะมาเน้นนึกถึงคนโบราณเล่าเรื่องลูกนางสิบสองสองผัวเมียมีลูกมากเลี้ยงไม่หวาดไม่ไวไปรับจ้างบ้างไปขอกินบ้าง พอได้มาก่อเอามาเลี้ยงลูกมันก็ไม่พอกินหัวเมือเมืองป่วยห่อนเคลื่อนขาดโพสหนั่งสองแสวงป้าโลกนั่นในยาวขาก็ไปจรจ่างทั้งแคว้นคอเหนียววั่นโสกได้ขนาดหน่อยเมียดมันได้มาก็เอามาต้มปนกันไปกับมันกับกอยมันอดมันอยากกว่าอย่างนั้นลูกแอลหาค้าคอยทำขั่วหุ่นออยอิดแอลกินกวนหาพรา เมื่อไฟค้างเขาดูประมาณมันเปื่อยพอก่อยายกาบกว่างกองหายโค่้คนกระพาะ อ, อิ่มได้ทั้งกีดกวนบอนทั้งเมืองมิตรเพลอนนอนอยังเพลินเพศ ล, ลำ่ำล้ำท่าเพีย้ยนจริงก้อมขั้นลูกรับพร้อม พ, อม พ, อมพอลั่นเหลมหลบหาพ่อไอไฟบอดไตเยาหงห้ามกิ้นขาก็ะพากันเสร็จบวงจองจานหํามขั้นบะเสียงนั่นกล่องลุงลังแล้วตื้นพอก็ินเสพทองใจหายกาวเมี่ะ คำกล่าวเป็นกล่าเป็นกนถ้าบังคำเขียนหามาได้เท่าไหร่ก็เอามาต้มใส่ก้อยใส่มันแบ่งลูกกินทั้งสิบสองคนมันก็ไม่พอกินพ่อแม่ก็โอดตอย่างๆหน้าข้าวก็เอาไว้กินตนเองบงังให้ลูกกินมันไม่อิม่มไม่เป็นไรแต่พ่อแม่ก็ทำท่าเป็นนอนดึกๆก่อนลุกขึ้นไม่ตรองจุดไตจุดไฟคาหากินไป ถูกช้อนถูกจองถูกบ่วงถูกอะไรมันดังขึ้นลูกทั้งสองทั้งสิบสองก็ตื่นแซวขึ้นมาข่อยกินในอีอพ่อข่อยกินในื้อแม่เขาม่ก็ไม่พอกินพ่อก็ยินแสบทองใจหายกาวเมียในที่สุดหัวก็ชวนเมียเอาลูกไปทิ้งอันว่าท่ารักาหน่อยสายใจจอมเกตเท่า น, นี้ก็ห่างแง่งพอผลล่อนเลี่ยงเป่าควงแม่เอ้ย เนที่เฮาเฮี้ยฟ่อมอ้อยเอาไปปล่อยเสียเทินสิ้นสิ่งเขาของหล่นก็ขาดเ ข, ขินสิ้แล้วเลื้อทิมเนี่ยหมอบเหนือขายอ้อยเอาทึ่นก็ได้แล้วมันบ่อยอมยังขอเอวเอาไปทิ้งแล้วเราอ้อยเอาอุ่มทั้งจูงบางเจียไปป่าใหม่ไกล้ผลปัดเหตุคน <c oughs> ผัวก็ชวนเมียเอาลูกไปทิ้งทิ้งซะเป็นหลายลูกของเราเมียก็อ่อนเวาะร้รองห่มร้องไห้เอาโตข่อยไปขายซา ขายหลับจ้างแ ห, นง ห, หงง่นี้ก็ได้พ่อหาลูกเขายังนี่ผมเมียนี่นะวดวงใจของแม่ไม่อยากจะทิ้งลูกหรอกทุกยากแค่นี้ก็ยอมวอกให้พวว่าให้เอาฉันนี่ไปขายขายอ่อยเอาทึ่นก็ได้แล้วมันบ่นยอมยังขอแอวเอาไปถิ้มเมียขอร้องท่าไหลพวก็วชวนเอาไปทิ้งอย่างเดียวนายที่สสกก็เลยชักชวนลูก เราออยเอาอุมทั้งจูงบงังเจียไปป่าใหม่ไกล่ผลป่าเทค้อนอิดออยหลา่าแล้วประกอบกันลับมันก็เขียวขึ้นละหลวกนอนในดาวพอเมื่อราตีอ่อนเขาแซลสดงตื่นเอินพอให้ยูห้องแหบได้พอชวนลูกไปป่าก็ไปนอนในป่าดึกๆพอลูกนอนหลับแล้วพ่อก่อนลังนี้ลูกตื่นขึ้นมาดึกๆ ก, ก็ร้องให้หาพ่อหาแม่ไม่เห็น จนเจะสว่างพอเมื่อลาตีขอนขเขาแซลสดุกตื่นเอนินพอห้หิวห่องแหบดายวิบากนั่นคือคูเล่โนโน่เลยเด้ก็มีอันกินจอยพร้อมพางหายยังมีเทโบ่ใหม่ให้ยำเดียมพอเห็นกาผ่าเป็นหนาอีดูก็จึงมาปันป่องไปหอมให้หลวง ถ้าลากาเห็นเดือแดงแดดินเล่ยแล้วเลี่ยมกินถั่วพ่วงพันไพ้หากแล้วเราเป็นบอกหายต้นเต่งต่อมาเทวดาพญาไม้เรียกว่าลูกขะเทวาเทวโวไหมเทวดาต้นไม้สงสารเด็กๆแล้วนั้นก็นมาป้องมาจูงทำท่าให้ไปถึงต้นไซใหญ่ยยมีลูกเดือสุกลูกไซเด็กวนั้นก็กิน พอกินนานๆนานข้าวเขาก็อาศัยอยู่ตามต้นไม้พอแม่อยู่นานข้าวอ้าวเกิดมีเงินมีทองถึงฟ้าใหม่ฟ้าใหม่ฝนใหม่ขึ้นมาเขาไหม่ปลามั่นสิตอนน้าตาตอนไงมาหอดแล้วคึ้นหอดโลกพ่อมาเมื่อ น, นานเขาเป็นหมามุ่นมังถึงมาฝ่าไทายเต่าและดูหอนทำหา หัวเขานำตาลูบเรื่องเสร็จผ้าเมียเหินแอวไปปุ่นเอิบย่มนั่นทารกาเต็มปลายเปือยเป็นบอกร่อนว่าเป็นหลกเจา้าแหนหายหอดายกำเนิดนี่ในหลกปางปฐมเป็นนิ่ยายต่อมาเฮ้าหูรู้ต้นเด้ทั้งล้านเลนดอมหลูกรู้ต้ดดนเด้ทั้งล้านเลนดอมหลกทั้งพอแม่พอห้อยไห้ใส่กัน ตอ น, นีสงสารทั้งพ่อทั้งแม่พ่อแม่ก็คิดถึงลูกได้อยู่ดีกินดีอ้าวคิดถึงลูกก็ชวนกันไปเรี้ยงหาลูกส่วนลูกนั้นก็กลายเป็นหลิงซะแล้วท า, ารกาเต้นปลายเปื่อยเป็นบอกร่อนมาเป็นลูกเจ้าเฮนน่าฮอดายพ่อแม่ก็ได้แต่แงหนะ้าเรียกหาลูกลูกก็เต้นอยู่บนยอดไม้พอเอ้ยแม่เอ้ยไปน้าเจ้าบไปแล้ว ตอนนะ้าปลาตอ น, หนใหญ่เขาไม่ปลามันปันไดขึ้นหอเดเีอยากไปน้ําเจ้าดีกับไปบ่ใดแล้วคนแข่งพ่อหอยปลาคนค้าพ่อหอยเสียดฝนอยู่ก่นพ่อเสียดใส่แม่เอ้ยอันนี้เป็นความหมายว่าลูกเรากับพ่อกับแม่จะพูกกันไม่รู้เรื่องตอนแรกก็เป็นลูกของพ่อของแม่พอเลี้ยงลูกไม่อุดมสมบูรณ์ก็เอาลูกไปทิ้ง นานๆข้าวลูกก็เป็นลิงเป็นข้างลูกเป็นกำผนะ้าทางวัฒนธรรมทางจิตใจเมื่อพ่อแม่อยู่ดีกินดีแล้วลึกถึงลูกอยากให้ลูกกลับมาร่วมหออยู่เรื อ, อนก็ไปพูดแง้เนื่อพูดกับลูกพูกกันไม่รู้เรื่องท่านลากาเต็นปลายเปื่อยเป็นบอกซะแล้วทีเนี้พ่อแม่ก็ได้แต่เห็นหน้าเลยว่าร่อนมาเป็นลูกเจา้าเห็นหน้าหอได้กําเนิดนี่ในโลกปางปฐมเป็นนิยายนตอมาเฮาโ้ รูอตนเดทั้งล้านเลนดอมโขกพ่อแม่ผอมห้อยห้ใส่กันก็ได้จะร้องห่มร้องไห้อยากจะให้ลูกเป็นคนดีเวลาในดีไม่ได้แล้วเพราะเห็นนั้นคนโบราณเลีย้ยงลูกนั้นเอาใจใส่ไม่ให้ลูกเป็นกัมพาพอแต่เริ่มเมียตั้งคันผัวผู้เป็นพ่อซึ่งยังไม่เคยเห็นหน้าลูกก็รีบเอาอกเอาใจผู้เป็นแม่ผ่านไปหาลูกในท้อง คอยพูดคอยจาไม่กระโชกโขกหากไม่พูดจาให้กระทบกระทั่งจิตใจเธอเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจเศร้าหมองเอาอกเอาใจเมียอยากอะไรเมียอยากให้ทําอะไรก็พากันกระทาอย่างดีงามเพื่อแวดล้อมหล่อล้อมวิญญาณได้น้อยอยู่ในท้องแล้วก็ยังไม่พอพอเมียตั้งท้องใหญ่ก็พาไปวัดไปฝากพระไปกราบสมภารลวงปู่ลุงตา ฮะยังพันเตกุชิคัโตกุมาโลวากุมารีวาโสภกวันตังสรนังขจติธรรมมันจะพิโคสังคันจะอุปาสกังนางทาเลตุนูดไปฝากตั้งแต่ท้องใหญ่ๆก็พากันไปฝากแต่งขั้นห้าไปกราพรบอกว่ายังพันเตกุชิคัโตทาลโกวาทาละกามกุมาโลวากุมารีวาลูกในท้องของข้าพเจ้า คอดออกมาแล้วเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ตามโสภค ว, วันตังสารนังคชติธรรมมันกะพิกุสังขันจะอุปาสกังนังทะเลตุขอให้เข้าถึงพระพุทธเจา้าพระทรบด้วยพระสงฆ์ด้วยเป็นสารณะเป็นอุบาสกแต่นี้ต่อไปตลอดชีวิตนั่นเขาไม่ให้ลูกเขาเป็นกำมพาทางจิตใจตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าก็พาไปฝากาฝากเก่าไว้แล้วหลังจากนั้นกลับมาบ้าน พระสงฆ์องจ้าท่านก็สอนลูกเอ๋ยจะทะเลาะเบาแหวงกันนะลูกในท้องกําลังจะออกมานั่นเป็นลูกพระนะลูกพระรันตนใจลูกพระพุทธเจ้าลูกพระธรรมลูกพระทระงเธออย่าดา่าอย่าช่อยอย่าใช้ถ้อยคํากระด่างยาบคายต่อลูกของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระทรงหน้าต่อนี้พ่อแม่ต่างก็เอาอกเอาใจซึ่งกันแหละกันพอลูกออกมาเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ตาม โตมาสักนิดึงก็พาลงวัดอีกแล้วอย่างผู้ไปเป็นดอกพอจะลืมตาดูโลกเท่านั้นแหละเข้าถึงพระรันาตนตรัยแล้วพ่อแม่นี่ก็เอาพาไปวัดไต่คันห้าไปฝ่ายผู้แค้นไปถวายพระก็<ม>พูดอย่างเก่ามันยังพันเตกุมาโรโอถ้าเป็นผู้ชายถ้าผู้หญิงกับกุมารี หลงังจากนั้นก็บ่าพระควันตังสารนังขจติทำมันจะพิกุสงขันเจอุบาสกังนังทาเลตุอชัตเเควฟานเปตังก็ว่าไปลูกชายของข้าพเจ้าลูกสาว ข, ของข้าพเจ้าบัดนี้ขอเขาถึงบ่าพุทธเจ้าพระทำพระทรงเป็นสารณะเป็นอุบาสกหรือเป็นอุบาสิกาตั้งแต่บัดนี้ไปตลอดชีวิตนั่นเห็นไหมลูกเขาไม่เป็นกัมพา พระสงฆ์อาจากับผู้เฆนทุกๆวันพระก็ผ่าลงวัดนี่นะพ่อเจ้านี่นะแม่จะบอกลูกเอ้ยเนี่ยพ่อของเราก็เป็นลูกของพระหลังจาก น, นั้นพระท่านก็จะบอกพระท่านก็จะสอนอย่าไปตีลูกนะในวันพระให้คอยพูค้คอยจ่าบัดนี่ไม่ใช่ลูกของเราแล้วใช้ถ้อยคําให้ดีงามบอกแนะนําพำสอนอย่าไปปล่อยฮาดาผี ทุกวันนี้อะไรลูกไม่ดีเพราะว่าพ่อแม่ไม่ค่อยสนใจปล่อยให้ลูกเจริญเติบโตมากับโทรทัศน์กับวิทยุกับเติมมวลชนกับนั่งกับละครเดี๋ยวนี้เรียกมาลูกมันไหว้ก็ยังเกือบจะไม่เป็นมันเอามือคำสอนใต้คางแล้วก็หมัวลงขาขอเคารวะท่ า, ทานผู้อาบูโซมันเล่นนางจีนเพราะพ่อแม่ทางวัฒนธรรมมันอยู่นู่นมันผิด ก, กันกับสมัยก่อนนู่นนะสมัยก่อนนั้นเขาไม่เป็นกัมพา แต่นี้ลูกของเราก็เลยผ้ากันเต้นปลายเปลยเป็นบอกเดี๋ยวนี้เดี ย, ยินเสียงเพลงสตริงคอมโบเสียงเพลงดิสโก้ฮุ่ยท่ากัาปันยังไม่ทันได้โรงเรียนอ น, นุบาล น, นันมันเต้นจอกๆแยกๆมันเป็นเลี่งเมาเหล่าแล้วที่เนี่ยมันกลายเป็นวอกไปหมดแล้วเพราะเหตุ น, นั้นลูกเต้าของเราเขาเจริญมาท่ามกลางวัฒนธรรมของโลกตะวันตกของฝลั่งหลังคาตั้งแต่เสียงเพลงก็เป็นเพลงฝรั่ง